ว่าด้วยปรัชญาวันต่อมาข้าหลวงว้ได้นิมนต์ขอให้พระสังฆปรินายกแสดงธรรมอีกเมื่อพระสังฆปรินายกได้ขึ้นทันมากและได้ขอร้องให้ที่ประชุมทั้งสิ้นทำจิตให้ผ่องใสและสวดข้อความแห่งมหาปรัชญาปารมิตาสูตรดังๆพร้อมกันจบลงแล้ว ท่านได้แสดงคำด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายปัญญาที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงการตัสรูนั้นมีอยู่ในตัวเราทุกๆคนแล้วแต่เป็นเพราะมีอวิชชาความมืดบอดที่ครอบงำใจของเราไว้เราจึงไม่มองเห็นมันด้วยตนเองจนเราต้องเที่ยวสอดสแสวงคำแนะนำตักเตือนจากผู้อื่นที่เขาได้เห็นแจ้งแล้ว ก่อนหน้าที่เราจะรู้จักจิตเดิมแท้ของเราเองท่านทั้งหลายควรจะทราบเอาไว้ว่าถ้าธรรมชาติแห่งความเป็นพุท ธ, ธะยังถูกห่อหุ้มเกี่ยวพันอยู่เพียงใดแล้วมันไม่มีความแตกต่างอะไรกันระหว่างผู้ที่เห็นแจ้งกับผู้ที่มืดบอดข้อที่แตกต่างกันนั้นมันอยู่ที่คนหนึ่งได้ตรัสรู้แจ่มแจ้ง คราบพุทธภาวะอันเกี่ยวกับผู้นั้นโกเพิกถอนเครื่องห่อหุ้มได้หมดจดแล้วส่วนอีกคนหนึ่งยังมืดมิดอยู่เอาละ่ะบัดนี้อาตมาจะได้กล่าวถึงเรื่องมหาปรัญญาปารมิตากัะทันทั้งหลายเพราะท่านทุกๆคนสามารถบรรลุถึงปัญญาอันนั้น ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายบรรดาพวกคนที่สวดร้องถึงคำว่าปรัชญาปรัชญาอยู่ตลอดทั้งทั้งวันก็ดูเหมือนว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้ทราบเลยว่าปรัชญานั้นมันมีอยู่ในธรรมชาติเดิมของเขาเองแล้วก็การที่เพียงแต่พูดกันถึงอาหารย่อมไม่อาจบาบัดความหิวได้ฉันใดในกรณีของบุคคลผู้เอ่ยถึงปรัชญาแต่ปา ก็ไม่อาจขจัดความมืดบอดได้ฉันนั้นเราอาจพูดกันถึงเรื่องศูนยตาความว่างเป็นเวลาตั้งแสนกันก็ได้แต่ว่าลำพังการพูดอย่างเดียวไม่สามารถทําให้เราเห็นแจมแจ้งในจิตเดิมแท้ได้และในที่สุดก็ไม่ได้อะไรตามที่ตนประสงค์เลยคำว่ามหาปรัช ญ, ญาปรมิตานี้ เป็นคำสรรเสริญมีความหมายว่าปัญญาอันใหญ่หลวงเพื่อให้ลุถึงฝั่งภาคโน้นคือแห่งทะเลสังสารวัตรสิ่งที่เราต้องทำนั้นคือต้องปฏิบัติมันด้วยใจของเราจะท่องบนมันหรือไม่นั้นไม่ใช่ข้อสาคัญการท่องบนมันเฉยๆโดยปราศจากการปฏิบัติด้วยใจนั้น จะได้ผลเหมือนกับเราไปเล่นกับอสุรกายหรือเหมือนกับการพลางตาของพวกเล่นกลด้วยเวทมนต์เหมือนกับสายฟ้าแลบเหมือนกับหยาดน้าค้างตามใบหญ้าแต่อีกทางหนึ่ง น, นั้นถ้าเราทำทั้งสองอย่างคือทั้งท่องบนและปฏิบัติด้วยใจแล้วใจของเราก็จะประเสริฐสมคล้อยกับสิ่งที่ปากของเรา กำลังท่องธรรมชาติแท้ของเรานั้นคือธรรมชาติแห่งความเป็นพุท ธ, ธะและนอกไปจากธรรมชาติอันนี้แล้วหามีพุท ธ, ธะที่ไหนอีกไม่เลยคําว่ามหาหมายความว่าอะไรหมายความว่าใหญ่หลวงขนาดของใจนั้นใหญ่หลวงเหมือนกันกับของอวกาศ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 ไม่ใช่ของอันแรกหรือของอันสุดท้ายพุท ธ, ธเกษตรคือขอบเขตของพุท ธ, ธหนึ่งหนึ่งทุกๆุกเกษตรนั้นว่างเหมือนกันกับอวกาศอย่างที่เป็นอื่นไปไม่ได้เลยแม้ธรรมชาติแห่งความเป็นพุท ธ, ธอันประเสริฐของเราก็ว่างเช่นเดียวกันและไม่ใช่เป็นภูมิธรรมอันเดียวเรื่องเดียวนี้เท่านั้น ที่เราลุกถึงด้วยการตัสรู้เพราะว่าธรรมชาติอันนั้นมันเป็นของสิ่งเดียวกันกับจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นภาวะแห่งความว่างเด็ดขาดกล่าวคือความว่างของสิ่งซึ่งมีอยู่แท้แท้ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังอาตมากล่าวถึงความว่างอันนั้น ขอท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจดิ่งไปจับเอาลัทธิที่ว่าขาดศูนไม่มีอะไรขึ้นมาว่าเป็นอันเดียวกันเพราะว่าความเห็นว่าขาดศูนย์เช่นนั้นรวมอยู่ในมิจฉาทิฏฐิพวกอุดจเฉททิฏฐิมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่สุดที่เราจะต้องไม่ตกดิ่งลงไปในมิจฉาทิฏฐิอันนี้เพราะว่าเมื่อคนเรานั่งอยู่เงียบ ทำใจของเขาให้ว่างๆเขาก็จะตั้งอยู่ในภาวะแห่งความว่างเพราะว่างเฉยได้เหมือนกันท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายความว่างอันไม่มีขอบเขตจํากัดของส า, ากลจักรวาลเป็นสิ่งที่มีความจุมากพอที่จะรวมเอาสิ่งต่างๆ ต, ตั้งแสนแสนสิ่งซึ่งมีรูปและสันฐานแปลกๆ ก, กันเข้าไว้ในตัวมันได้ สิ่งเหล่านั้นเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวทั้งหลายภูเขาแม่น้ําแผ่นดินน้ําพุลาําธารพุ่มไม้ป่าไม้คนดีคนชั่วธรรมะฝ่ายดีธรรมะฝ่ายชั่วเมืองสวรรค์เมืองนรกมหาสมุทรภูเขาทั้งหลายในเทือกเขามหาเมนหรือหิมาลัยอวกาศนั้นซึมเข้าไปมีอยู่ทั่วในสิ่งต่างๆ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 เราไม่ถูกดึงดูดให้ชอบหรือไม่ถูกมันผลักดันให้ชังหรือเราไม่เกาะเกี่ยวกับมันเมื่อนั้นลักษณะแห่งจิตใจของเราเป็นของว่างเท่ากันกับอวกาศด้วยเหตุนี้เราจึงกล่าวว่าใจของเราใหญ่หลวงไม่มีขอบเขตเหมือนอวกาศเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกมันว่ามหา ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายสิ่งใดที่พวกคนเขาพากันเพียงแต่พูดถึงเ ป, ป, ปล่าเปล่าปลีปลีสิ่งนั้นคนมีปัญญาได้นําเอามาปฏิบัติด้วยจิตใจของเขาเกิดมรรคเกิดผลจนได้ยังแถมมีคนเขาอีกพวกหนึ่งซึ่งนั่งนิ่งๆเงียบๆและพยายามที่จะทําจิตของตนให้ว่างเขาเว้นจากการคิดถึงสิ่งใดๆหมดแล้วก็เรียกตัวเขาเองว่า มหาเมื่อเขามีความเห็นนอกลูนอกทางเช่นนี้ก็เป็นการยากที่เราจะกล่าวถึงเขาว่าอย่างไรให้ถูกตรงได้ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายท่านควรจะทราบไปว่าใจนั้นมีขนาดแห่งความจุอันใหญ่หลวงโดยเหตุที่ใจนั้นสิงซึมติดเนื่องเป็นอันเดียวกันอยู่ทั่วไปตลอดสากลธรรมธาต คือวงแห่งธรรมานาจักกล่าวคือสากลจักรวาลเมื่อเรานำมันมาใช้เราก็สามารถจะทราบอะไรได้หลายสิ่งจากบรรดาสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดและเมื่อใดเราใช้มันเต็มขนาดของมันเมื่อนั้นเราก็ทราบได้สารพัดสิ่งไม่มีอะไรเหลือรู้ทุกๆสิ่งภายในสิ่งหนึ่งและหนึ่งสิ่งภายในทุกๆุสิ่ง เมื่อใดใจของเราทาหน้าที่ของมันโดยไม่ติดขัดและเป็นอิสระที่จะไปหรือมาเมื่อนั้นชื่อว่ามันอยู่ในภาวะแห่งปรัชญาท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายปรัชญาทั้งสิ้นย่อมมาจากจิตเดิมแท้และมิได้มาจากวิถีภายนอกเลยท่านทั้งหลายจงอย่าได้มีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้ ข้อนี้เรียกว่าการใช้ประโยชน์ในตัวมันเองของสิ่งที่เป็นตัวธรรมชาติเดิมแท้ตัทะตาความเป็นแต่อย่างนั้นอย่างเดียวเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้กล่าวคือจิตเดิมแทะปรากฏขึ้นครั้งเดียวเท่านั้นแก่ผู้นั้นแล้วเขาก็เป็นอิสระจากโมหะไปชัว่วนิรันดร ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายเพราะเหตุที่ใจนั้นมีรัศมีทํางานกว้างขวางใหญ่หลวงเราจึงไม่ควรใช้มันทํางานกระจิตรไร้เดียงสาเช่นการนั่งเงียบๆทําใจว่างๆเฉยๆอย่าพูดกันถึงความว่างเป็นวันๆโดยไม่ได้ทําจิตให้พบกับความว่างนั้นคนที่พร่ำแต่ปากว่าว่างๆแต่จิตไม่ได้สัมผัสความว่างจริงๆเลย ทำเช่นนี้ควรถูกเปรียบกันกับคนที่ประกาศตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ด้วยปากของเขาแต่ที่จริงเขาก็เป็นราษฎรธรรมดาโดยวิถีทางปฏิบัติเช่นนี้จะไม่ได้รู้ถึงปรัชญาเลยและผู้ที่ปฏิบัติทำนองนี้จะเรียกว่าเป็นสิทธิ์ของอาตมาไม่ได้ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายคำว่าปรัชญา หมายความว่าอะไรคำนี้หมายถึงปัญญาความรู้รอบแจ้งชัดคือเมื่อใดเราสามารถรักษาจิตของเราไม่ให้ถูกคัวพันด้วยความทะเยอทยานอันโง่เขลาได้ทุกกาละทุกเทศทำอะไรด้วยความฉลาดไปทุกโอกาสเมื่อนั้นชื่อว่าเรากําลังประพฤติอบรมปรัชญาอยู่ทีเดียวความรู้สึกที่โง่เขลาข้อเดียวเท่านั้น ก็สามารถผลักปรัชญาให้หายวับไปแต่ความคิดที่ปรีชาฉลาดเป็นสิ่งที่อาจดึงเอาปรัชญากลับมาได้อีกบุคคลพวกที่ตกอยู่ใต้อำนาจอวิชชาหรือโมหะย่อมไม่มองเห็นปรัชญาเขาพูดถึงปรัชญาด้วยลิ้นไม่ใช่พูดโดยใจส่วนในใจของเขานั้นยังคงงมงายอยู่ตามเดิม เขาพูดเสมอไปว่าเขาประพฤติปรัชญาและพูดถึงความขาดศูนย์หรืออุดเชทะไม่หยุดปากแต่เขาไม่ได้ทราบถึงความว่างเด็ดขาดหรือสุญญตาเลยหาฤทัยแห่งความรอบรู้ชัดแจ้งนั้นแหละคือตัวปรัชญาอันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่มีท่าทางเครื่องให้สังเกตเสียเลย ถ้าเราตีความหมายของคําว่าปรัชญากันโดยทํามนองนี้เมื่อนั้นชื่อว่าพูดกันถึงความรอบรู้แจ้งชัดของปรัชญาตัวจริงอย่างถูกแท้ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายคําว่าปารมิตาหมายความว่าอะไรคํานี้เป็นคําสันสกฤตมีความหมายว่าสู้ฝั่งข้างโน้นโดยกิริยาจริง มันหมายถึงพ้นการเกิดและการดับโดยโอุปทานการยึดถือในขันทั้งหลายอันเป็นวัตถุที่ตั้งของความรู้สึกทางวิญญาณเมื่อนั้นย่อมมีความเกิดและมีความดับพลุโผลเหมือนทะเลที่มีคลื่นภาวะเช่นนี้เราเรียกโดยอุ ป, ปมาว่าฝั่งข้างนี้แต่เมื่อใดตัดอุปทานเสียได้เด็ดขาด และรู้ถึงภาวะที่พ้นจากการเกิดและการตายสงบเงียบเหมือนน้ําไหลนิ่งนั่นแหละเรียกว่าฝั่งโน้นการพ้นจากการเกิดและการดับนี้แหละที่ทําให้ปรัญญานี้ได้นามว่าปารมิตาท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายคนเป็นอันมากซึ่งอยู่ภายใต้โมหะ พากันท่องบน ม, มหาปรัญาปารมิตรด้วยลิ้นเท่านั้นและเมื่อเขากําลังท่องอยู่นั้นความคิดที่ง ม, มงายเป็นอกุศลกลับเกิดขึ้นแก่เขาแต่ถ้าเขาจะได้ปฏิบัติมันด้วยใจโดยไม่หยุดหย่อนดังกล่าวจริงๆเขาย่อมเห็นประจักษ์ชัดซึ่งตัวจริงของมหาปรัญาปารามิตรการรู้ธรรมะอันนี้ ก็คือการรู้ธรรมชาติของปรัชญาการปฏิบัติธรรมะอันนี้ก็คือการปฏิบัติปรัชญาผู้ที่ไม่ประพฤติธรรมอันนี้คือปุถุชนบุคคลผู้ตั้งจิตจดจ่อเพื่อปฏิบัติธรรมอันนี้แม้เพียงชั่วขณะหนึ่ ง, ข<อ>งเขาเป็นผู้เทียบเท่ากับพุท ธ, ธะคนสามัญ น, นี้เองคือพระพุทธเจ้า และกิเลสก็คือโพธิปัญญาสําหรับการตัสรู้ความคิดที่โง่เขลาที่ผ่านเข้าออกทางจิตนั้นทําให้คนเป็นคนธรรมดาสามัญแต่ความคิดที่หายโง่ประกอบด้วยความแจ่มแจ้งที่ตามมาทีหลังทําคนให้เป็นพระพุทธเจ้าความคิดที่ผ่านเข้าออก ที่ทำจิตให้ติดในอารมณ์นั้นคือกิเลสแต่ความคิดที่มาปลื้งจิตเสียจากความติดแน่นอันเป็นความคิดซึ่งเกิดทีหลังนั้นคือโพธิท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายมห า, ราปรัชญาปรมิตากล่าวคือปัญญาอันใหญ่หลวงที่ทำสัตว์ให้ข้ามถึงฝั่งโน้นนั้นเป็นของสูงสุดใหญ่ยิ่ง และเด่นดวงมันไม่หยุดไม่ไ ป, ไไปและไม่มาโดยอำนาจของปัญญาอันชื่อว่ามหาปรัญญาป ร, รมิตานี้เองที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในปัจจุบันในอดีตและในอนาคตได้บรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าเราควรใช้ปัญญาอันสูงสุดดวงนี้เพื่อทำลาย ความยึดถือในขันธ์ทั้งห้าเสียเพราะเหตุว่าการทำเช่นนี้ย่อมช่วยให้การได้บรรลุถึงพุทธภูมิเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วอากุศลมูลทั้งสามคือโลภะโทสะโมหะก็จะกลายเป็นศีลสมาธิปัญญาไปเองท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลาย ตามวิถีปฏิบัติแบบของอาตมานี้ปัญญาดวงเดียวเท่านั้นจะสร้างความรอบรู้ขึ้นถึง 84,000 พวิถีคือเท่ากับจำนวนของกิเลส ท, ที่เราจะต้องผจนแต่ว่าเมื่อผู้ใดผลจากอำนาจของกิเลสปัญญาย่อมแสดงตัวปรากฏให้เห็นเองที่ตัวจิตเดิมแพ้ไม่แยกจากกันได้ ผู้ใดเข้าใจหลักธรรมปฏิบัติอันนี้ผู้นั้นจะมีจิตปราศจากความคิดอันท้อแท้เชื่อชาการเป็นอิสระจากการหลงรักเพราะความคิดหมกมุ่นสยบจากการยึดติดในอารมณ์อันเร้าจิตให้ทะเยอทยานและจากสิ่งอันเป็นของหลอกลวงมายาการให้ตัวตถตาความคงที่แต่อย่างนั้นเท่านั้นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ทำหน้าที่ของมันการใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงในสิ่งทั้งปวงและการมีท่าทีอันสงบซึ่งไม่เป็นทั้งการผลักดันหรือการดึงดูดต่อสรรพสิ่งทั้งมวลเหล่านี้คือการรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งตัวจิตเดิมแพ้เพื่อการบรรลุถึงพุทธภูมิความเป็นพุทธะท่านผู้คงแก่เรียทั้งหลาย ถ้าท่านปรารถนาจะแทงตลอดความลึกซึ้งของธรรมธาตุและสมาธิที่เป็นฝ่ายปัญญาท่านจะต้องอบรมปรัชญาโดยการท่องบนและศึกษาไตรตรองในวัชรัตจเฉทิกะสูตรสูตรดุดเพชรสำหรับตัดอันเป็นสูตรที่สามารถทำให้ท่านรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งจิตเดิมแท้ท่านควรจะทราบไว้ว่า กุศลผลความดีอันเกิดจากการศึกษาสูตรนี้ตามที่ปรากฏชัดเจนอยู่ในพระบาลีนั้นมีมากเหลือประมาณไม่มีขอบเขตจำกัดไม่สามารถพรรณนาให้ละเอียดไดส้สูตรนี้เป็นของฝ่ายนิกายสูงสุดในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรสูตรนี้เฉพาะแก่บุคคลที่มีปัญญาแก่กล้า และสามารถเข้าใจอัฏฐอันลึกได้ในทันทีถ้าหากว่าคนมีปัญญาน้อยและทึกต่อการเข้าใจอัฏฐอันลึกอเผอิญมาได้ฟังสูตรชนิดนี้เข้าเขาจะเกิดความสงสัยไม่เชื่อข้อความในสูตรนั้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นข้อนี้อุ ป, ปมาได้ว่าถ้าหากว่าเกิดฝนตกหนักในชมพูทวีปนี้ ด้วยอำนาจพญานาคในสวรรค์แล้วนครเมืองและหมู่บ้านจะพากันไหลลอยไปตามกระแสน้ำเช่นเดียวกับใบของต้นอินทภาลังแต่ถ้าหากว่าฝนนั้นไปตกในมหาสมุทรโดยทั่วๆวไปก็เหมือนกับไม่ได้รับความกระทบกระเทือนอะไรเลยเมื่อนักศึกษาฝ่ายมหายานได้ฟังสูตรชื่อ วัชรชัดเฉ ท, ที่กะนี้แล้วใจของเขาจะสาใสสว่างเขาทราบได้ว่าปัญญาที่จะทำให้สัตว์ลุถึงฝั่งโน้นนั้นมีอยู่ในจิตเดิมแทของเขาแล้วและเชื่อตัวเองว่าเขาไม่ต้องอาศัยพระไตรปิฎกเพราะว่าเขาสามารถใช้ปัญญาในตัวเองให้เป็นประโยชน์โดยการจเจริญวิปัสนา ภาวนาเป็นนิดนั่นเองปรัชญาซึ่งมีประจำอยู่ในจิตเดิมแท้ของทุกๆคนนั้นแล้วอาจจะเปรียบกันได้กับฝนซึ่งความชุ่มชื่นของมันย่อมทำความสดชื่นให้แก่สิ่งที่มีชีวิตทุกๆสิ่งรวมทั้งต้นไม้และพืชพันธุยาหารตลอดถึงสัตว์ทุกชนิดเมื่อแม่น้ำและลำธาร ไหลไปถึงทะเลน้ำฝนที่มันพาไปย่อมผสมเป็นอันเดียวกันกับน้ำในมหาสมุทรนี่คือข้ออุปมาอีกข้อหนึ่งท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายทีนี้หากว่าฝนที่ทำความสดชื่นให้แก่สิ่งมีชีวิตนั่นเองได้ตกกระหน่ำลงมาขนาดใหญ่ต้นไม้ซึ่งรากไม่ลึกพอก็จะถูกน้ำพัด ฉะถอนรากขึ้นลอยต่างน้ําและสูญหายไปในที่สุดไม่มีเหลือข้อนี้เปรียบกันได้กับคนมีปัญญาทึบเข้าใจอะไรได้ยากที่ได้ฟังคำสอนของฉันนิกายฉับพลังแท้ที่จริงปรัชญาซึ่งมีอยู่ในบุคคลจาพวกนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันกับที่มีอยู่ในบุคคลจาพวกปัญญาไว หากแต่ว่าเขาไม่สามารถทำตนให้ตัดสรู้ได้ในขณะที่มีผู้สอนเขาด้วยธรรมะนั้นเพราะเหตุใดเพราะว่าเขาถูกหกคลุมเส้นหนาแน่นด้วยความคิดเห็นผิดและกิเลสซึ่งได้หลงรากลึกแล้วทำนองเดียวกับดวงอาทิตย์ถูกบดบังด้วยเมฆไม่สามารถส่องแสงของตนลงมาทั้งที่แสงนั้นมีอยู่ จนกว่าจะมีลมมากวาดเอาก้อนเมฆนั้นไปเสียฉันใดก็ฉันนั้นปรัชญานั้นไม่แตกต่างกันแม้ว่าตัวบุคคลจะแตกต่างกันข้อที่แตกต่างกันนั้นอยู่ตรงที่ว่าใจของเขาสว่างสวัยหรือมืดมนเท่านั้นเองคนที่ไม่รู้จักจิตเดิมแท้ของตนเองและยังแถมมีความเขลาไปว่า การบรรลุพุทธธรรมนั้นมีได้ด้วยาศาสนาพิธีต่างๆที่กระทำกันทางกายภายนอกไม่เกี่ยวกับจิตนี้แหละคือคนจำพวกที่เข้าใจอะไรได้ยากคนจำพวกที่เข้าใจคำสอนของนิกายฉับพลันไม่รู้สึกว่าพิธีรีตองต่างๆเป็นของสำคัญและใจของเขาก็ทำหน้าที่พิจารณาอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิอย่างเดียว จนกระทั่งเขาหลุดพ้นเด็ดขาดจากกิเลสหรือมนทินต่างๆคนชนิดนี้แหละท่านกล่าวว่าเป็นผู้ที่ได้รู้จักจิตเดิมแท้ของตนเองแล้วท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายขึ้นชื่อว่าใจเป็นสิ่งที่ควรได้รับการจัดวางไว้ในกรอบของการปฏิบัติชนิดที่มันจะเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งที่ทเป็นภายนอกและภายใน ให้มีอิสระที่จะมาหรือจะไปไม่ถูกหัวพันและใสสว่างโดยทั่วถึงปราศจากสิ่งบดบังแม้แต่นิดเดียวบุคคลที่สามารถทำได้เช่นนี้ถือว่าดีถึงขนาดที่บัญญัติไว้ในสูตรทั้งหลายของนิกายมหาปรัญญาปารามิตาท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลาย สูตรและปิดกทั้งสิ้นทั้งของฝ่ายมหายานและหินนัยานรวมทั้งคำพีอัตถขถาทั้งส2องภาคทั้งหมดถูกจําแนกไว้เป็นชั้นๆก็เพื่อให้เหมาะกับความต้องการและอุปนิสัยของบุคคลผู้มีอินทรียิ่งยอนกว่ากันเป็นชั้นๆ น, นั่นเองโอวาต่างๆมีสอนที่อยู่ในพระคำพีเหล่านั้นบัญญัติขึ้นมาโดยยึดหลักใหญ่ว่า ตัวปรัชญามีแฝงอยู่ภายในบุคคลทุกคนแล้วถ้าไม่มีคนก็ไม่จำเป็นต้องมีธรรมะเหตุนั้นเราจึงทราบได้ว่าธรรมะนันนั น, นบัญญัติขึ้นสำหรับคนโดยตรงและสูตรต่างๆนั้นเกิดขึ้นเพระาะศาสดาผู้ประกาศสูตรนั้นๆนั่นเองเพราะเหตุที่คนบางพวกเป็นคนฉลาด ซึ่งเราเรียกกันว่าคนเด่นและคนบางพวกเป็นคนโง่เขลาซึ่งเราเรียกกันว่าคนมนดด้อยดังนั้นคนฉลาดจึงแสดงโอวาทแก่คนเขลาในเมื่อคนเขลาประสงค์จะให้สอนด้วยการทำเช่นนี้คนเขาก็อาจลุกถึงความสว่างสวยัยชนิดรวดเร็วได้ และใจของเขาก็แจ่มแจ้งได้ด้วยเหตุนั้นแล้วคนเขาเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากคนฉลาดอีกต่อไปท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายถ้าเอาการตรัสรู้ออกเสิแล้วก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับคนสามัญอื่นๆความสว่างสวัยว่าบเดียวเท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทําใครก็ได้ ให้กลายเป็นคนเสมอกันกันกบพระพุทธเจ้าเพราะเหตุที่ธรรมะทั้งหลายเป็นของมีประจําอยู่ในใจของเราแล้วจึงไม่มีเหตุผลในข้อที่ว่าเราไม่สามารถเห็นซึมทราบแจ้งชัดในสภาวะแท้ของตัฐตาสภาพที่มีแต่ความเป็นเช่นนั้นจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้มีข้อความ กล่าวไว้ในสูตรชื่อโพธิสัตว์สีนสูตรว่าจิตเดิมแท้ของเราเป็นของบริสุท์โดยเด็ดขาดและถ้าเราได้รู้จักใจของเราเองและรู้แจ้งชัดว่าตัวธรรมชาติแท้ของเราคืออะไรแล้วเราจะรู้ถึงพุทธภาวะได้ทุกทุกคนที่มีความรู้เช่นนั้นข้อความในสูตรชื่อ วิมลกิรตินิเทศสูตรก็ได้กล่าวว่าทันใดนั้นเขาตัดสรู้แจ่แจ้งสว่างสวัยและได้รับใจของเขาเองกลับคืนมาท่านผู้ของแก่เรียนทั้งหลายเมื่อพระสังฆปรินายกองค์ที่หได้เทศให้อัตมาฟังอัตมาได้เกิดความรู้แจ้งสว่างสวัยตัดสรู้ข้อธรรมะนั้น ในทันทีที่ท่านพูดจบและทันใดนั่นเองได้เห็นแจ้งประจักษ์ชัดในตัวธรรมชาติแท้ของตัทธตาด้วยเหตุนี้เองอาตมาจึงมีความมุ่งหมายโดยเฉพาะในการที่จะประกาศคําสอนแห่งนิกายฉับพลันนี้ต่อไปเพื่อว่าผู้ศึกษาจะได้ประสบกับโพธิและเห็นแจ้งในตัวธรรมชาติแท้ของตนเอง ด้วยการอบรมจิตในวิปัสสนาภาวนาถ้าหากว่าเขาไม่สามารถช่วยตัวเองให้เกิดความสว่างสวัยได้เขาก็จะได้ขอร้องต่อเพื่อนพุทธบริษัทผู้คงแก่เรียนและใจอารีซึ่งมีความรู้ความเข้าใจคำสั่งสอนของสำนักชั้นสูงให้ช่วยชี้หนทางถูกให้แก่เขา สำนักหลักแหล่งของพุทธบริษัทผู้คงแก่เรียนและมีใจอารีทำหน้าที่นำจูงผู้อื่นให้เห็นแจ้งในจิตเดิมแท้นั้นเป็นสำนักซึ่งอยู่ในตำแหน่งสูงสุดด้วยความช่วยเหลือของบุคคลชนิดนี้ผู้อื่นจะถูกชักจูงเข้ามาสู่ธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลทุกๆุกประการ บรรดาปัญญาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งความรู้ที่เป็นหลักคำสอนในพระคำภีทั้ง12หมวดนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของเรามาแต่เดิมแล้วในกรณีที่เราเองไม่สามารถปลุกให้สว่างสวัยขึ้นมาได้ด้วยตนเองนั้น เราจำต้องแสวงคำแนะนำจากบุคคลผู้คงแก่เรียนและมีใจอารีเหล่านั้นแต่ในทางที่ตรงกันข้ามพวกที่ทำความสว่างสวัยให้แก่ตนเองได้โดยลําพังนั้นย่อมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกมันเป็นของผิดในการที่จะไปถือคติว่าถ้าปราศจากคำแนะนำของผู้คงแก่เรียนและมีใจอารีแล้ว เราไม่สามารถจะลุถึงวิมุตตเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ามันเป็นเพราะปัญญาภายในของเราเองต่งางหากที่ทำให้เราเกิดความสว่างสวัยได้ถึงแม้ความช่วยเหลือจากบุกคคลภายนอกและคําพร่ำสอนของเพื่อนผู้คงแก่เรียนและใจอารีราก็ยั ง, ยงอาจเป็นหมันไรประโยชน์ได้นั้นกันถ้าหากว่าเรา ทำให้ถูกหลงงมงายเสียแล้วโดยคำสอนที่ผิดและความเห็นผิดเราควรเพ่งจิตของเราด้วยปัญญาตัวจริงความเห็นผิดทั้งมวลก็จะถูกเพิกถอนไปในขณะนั้นและในทันทีทันใดที่เราได้รู้จักตัวจิตเดิมแท้เราย่อมรู้ถึงสถานะแห่งความเป็นพุท ธ, ธะในทันใดนั้น ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายเมื่อเราใช้ปรัช ญ, ญาปัญญาดั้งเดิมของเราในการเพ่งพิจารณาในภายในเราย่อมมีความสว่างแจ่มแจ้งทั้งภายในและภายนอกและเราอยู่ในฐานะที่จะรู้จักใจของเราเองการรู้จักใจของเราเองก็คือการลุ ถ, ถึงวิมุตติคือการหลุดเป็นอิสระการลุ ถ, ถึงวิมุตติก็คือการลุ ถ, ถึง สมาธิฝ่ายปรัชญาซึ่งเป็นความไม่ต้องคิดความไม่ต้องคิดคืออะไรความไม่ต้องคิดคือการเห็นและการรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงด้วยใจที่ไม่มีอะไรห่อหุ้มพัวพันเมื่อเราใช้มันมันแทรกเข้าไปได้ในทุกสิ่งแต่ไม่ติดแจอยู่ในสิ่งใดเลยสิ่งที่เราจะต้องทำนั้น มีเพียงการชำระจิตให้ใสกระจา่างเพื่อวิญญาณทั้งหเมื่อแล่นไปตามอายตนะทั้งหจะไม่ถูกทำให้เศร้าหมองโดยอารมณ์ทั้งหเมื่อใดใจของเราทำหน้าที่ของมันได้โดยอิสระปราศจากอุปสรรคและอยู่ในสถานะที่จะมาหรือไปได้โดยอิสระเมื่อนั้นชื่อว่าเราได้บรรลุสมาธิฝ่ายปริญา หรืออิสรภาพสถานะเช่นนี้มีนามว่าการทาหน้าที่ของความไม่ต้องคิดแต่ว่าการหักห้ามความคิดถึงสิ่งใดๆให้ความคิดทั้งหมดถูกกดเอาไว้ย่อมเป็นการกดธรรมะไว้ไม่ให้ปรากฏหรือเป็นไปตามที่ควรจะเป็นไปและข้อนี้ย่อมเป็นความเห็นผิด ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายบรรดาผู้คนผู้เข้าใจในวิถีทางแห่งความไม่ต้องคิดเหล่านั้นจะรู้แจ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งจะได้ดื่มรสที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้เคยดื่มมาแล้วและย่อมบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้าต่อไปถ้าหากผู้ที่ได้รับคำสอนจากสานักของอาตมาคนใด จะให้สัตจาปฏิยานในถามกลางหมู่เพื่อนศิษย์ด้วยกันว่าจะอุทิศชีวิตของตนทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามคำสอนแห่งสำนักฉับพลันนี้โดยไม่ย่อดท้อถอยหลังตั้งใจขนาดเดียวกันกับความตั้งใจที่จะปรนนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าแล้วไซเขาก็จักลุถึงวิสุทธิมรรคาโดยไม่มีการล้มเหลวเป็นแน่แท้ เขาจาักถ่ายทอดคําสอนที่พระสังฆปรินายกองค์หนึ่งได้มอบหมายลงมาอย่างพระสังฆปรินายกองค์ต่อๆมาออกจากดวงใจของเขาแล้วส่งลงไปยังดวงใจของบุคคลอื่นซึ่งสมควรแก่การนี้เป็นช่วงๆกันไปและพยายามที่จะไม่ปิดปางซ่อนเร้นคําสอนที่ถูกต้องไว้แม้แต่น้อย สำหรับบุคคลพวกที่อยู่ในสำนักอื่นในนิกายอื่นซึ่งความเห็นและจุดมุ่งหมายของเขาผิดไปจากของพวกเหล่านั้นไม่ควรจะถ่ายทอดหลักธรรมะอันนี้ไปให้เลยเพราะจะมีแต่ผลร้ายโดยประการต่างๆไม่มีผลดีการที่มีข้อยกเว้นไว้ดังนี้ก็โดยเกรงว่า พวกคนเขาซึ่งไม่สามารถเข้าใจหลักคําสอนอย่างของเราจะมีคํากล่าวตูป้ายร้ายให้แก่คําสอนระบอบนี้และข้อนั้นเองจะเป็นการทำลายมเมล็ดพืชแห่งความเป็นพุทธะซึ่งมีอยู่ในคนพวกนั้นให้เหือดแห้งเป็นหมันไปตลอดเวลาหลายร้อยกันกับพันชาติท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลาย อาตมามีสโลกอันกล่าวถึงนิรรูปอยู่หมวดหนึ่งสำหรับท่านทั้งหลายท่องมนกันทั้งคฤหัตและบรรพชิตควรปฏิบัติตามคำสอนซึ่งมีอยู่ในสโลกนั้นซึ่งถ้าปราศจากการปฏิบัติเสียแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะจำอาอถ้อยคำของอาตมาไ ป, ปเปล่าๆท่านทั้งหลายจงคอยฟังสโลกนี้ดังต่อไปนี้ อาจารย์ผู้บัญญัติคำพีพุทธธรรมรวมทั้งคำสอนในสำนักนิกายทยานะนี้ด้วยอาจเปรียบกันได้กับดวงอาทิตย์ซึ่งกำลังแผดแสงจ้าอยู่ณกึ่งกลาง น, นภากาศบุคคลเช่นนี้จกไม่สอนอะไรนอกจากธรรมะเพื่อให้เห็นแจ้งจิตเดิมแท้อย่างเดียว และความมุ่งหมายในการที่ท่านมาสู่โลกนี้ก็เพื่อขจัดพักิมิจฉาทิฏฐิเราจะแบ่งแยกธรรมปฏิบัติออกเป็นชนิดฉับพลันและชนิดเชื่องช้าได้โดยยากก็จริงแต่ก็ยังมีคนบางพวกที่จะรู้แจ้งได้เร็วกว่าคนพวกอื่นมาก ตัวอย่างเช่นธรรมปฏิบัติระบอบนี้ที่สอนมุ่งให้เห็นแจ้งจิตเดิมแท้เป็นระบอบที่คนโฉดเข่าจะเข้าใจไม่ได้เราอาจจะอธิบายหลักธรรมะระบอบนี้ได้โดยวิธีต่างๆ ต, ตั้งหนึ่งมืนวิธีแต่ว่าคำอธิบายทั้งหมดนั้น อาจจะลากให้หวนกลับมาสู่หลักดุจเดียวกันได้การที่จะจุดไฟให้สว่างขึ้นในดวงหัดไัยอันมืดมัวเพราะเกรกลังไปด้วยกิเลสนั้นเราจะต้องดำรงแสงสว่างแห่งปรัชญาไว้เนืองนิดมิชฌาทิฏฐิย่อมทำให้เราติดจมอยู่ในห่วงกิเลสส่วนสัมมาทิฏฐิ ย่อมเปลื้องเราออกจากกองกิเลสนั้นๆแต่เมื่อใดเราอยู่ในฐานะที่เหนือไปกว่าทิศฐิทั้งสองอย่างนี้เมื่อนั้นเราย่อมบริสุทธิ์โดยเด็ดขาดโพธิเป็นสิ่งมีประจำอยู่แล้วภายในจิตเดิมแท้ของเราการพยายามมองหาโพธิจากที่อื่นนั้นเป็นความเขลา จิตที่บริสุทธิ์นั้นจะหาพบได้ภายในจิตอันไม่บริสุทธิ์ของเรานั่นเองในทันใดที่เราดํารงจิตถูกต้องเราย่อมเป็นอิสระจากสิ่งบทบังสามประการคือกิเลสบาปกรรมและการต้องทนใช้บาปอยู่ในนรกถ้าเราเดินอยู่ในมันคาแห่งการตัสรู้ เราไม่จำต้องกลุ้มใจด้วยสิ่งที่จะทำให้เราสะดุดล้มถ้าเราคอยสอดส่ายตาระวังความผิดของเราเองอยู่เสมอเราก็เดินถไหลออกไปนอกหนทางที่ถูกไม่ได้เพราะเหตุที่ชีวิตทุกๆุกแบบย่อมมีวิถีทางแห่งความรอดพ้นเฉพาะของมันเองทุกแบบฉะนั้น ชีวิตทั้งหลายจะไม่ก้าวกายหรือกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันแต่ถ้าเราพละไปจากทางชนิดที่เป็นของเราไปแสวงหาทางอื่นเพื่อจะรอดพ้นเราจะไม่พบความรอดพ้นได้เลยแม้ว่าเราจะหาเรื่อยไปจนกระทั่งความตายมาถึงเราก็ดีในที่สุด เราจะพบแต่ความรู้สึกเสียใจายภายหลังว่าเราทำพลาดไปแล้วถ้าท่านปรารถนาจะค้นหาทางที่ถูกต้องการทำให้ถูกวิธีจริงๆเท่านั้นที่จะนำท่านดิงไปถึงได้แต่ถ้าท่านไม่มีการดิ้นรนเพื่อลุถึงพุทธภูมิท่านก็จะมัวคลำคว้าอยู่ในที่มืด และไม่มีโอกาสพบเลยผู้ที่ด่วนเดินมุ่งแนวไปตามทางที่ถูกต้องนั้นย่อมให้มองเห็นความผิดต่างๆในโลกนี้ถ้าเราพบความผิดในบุคคลอื่นเราเองก็ตกอยู่ในความผิดนั้นด้วยเหมือนกันเมื่อผู้อื่นทำผิดเราไม่จำต้องเอาใจใส่เพราะมันจะเกิดความผิด ขึ้นแก่เราเองในการที่จะไปรื้อหาความผิดโดยการสลัดนิสัยที่ชอบค้นหาความผิดของคนอื่นออกไปเสด็จจากสันดาษเราย่อมตัดวิถีทางการมาของกิเลสได้เป็นอย่างดีเมื่อใดความชังคนเกลียดและความรักคนรักไม่กล่ำกลายจิตใจของเราเราหลับสบาย บุคคลใดตั้งใจจะเป็นครูสอนคนอื่นเขาเองควรจะมีความคล่องแคล่วในวิธีที่เหมาะสมนานาประการที่จะนำผู้อื่นเข้าถึงความสวา่างเมื่อสิทธิ์พ้นจากความสงสัยสนเทโดยประการทั้งปวงมันย่อมแสดงว่าเขาได้พบจิตเดิมแท้ของเขาแล้ว จักประวัติของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้ซึ่งเราจะพบความสว่างสวัยได้ในเขตนั้นการสอดสแสวงหาความสว่างสวัยในที่อื่นจากโลกนี้เป็นของพลึกกึกกือเหมือนการเที่ยวหาเขากระต่ายสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ถูกขนานนามว่าเลิศเหนือโลก มิจฉาทิฐิเป็นสิ่งที่ถูกขนานนามว่าข้องอยู่ในโลกเมื่อใดทิฐิทั้งสองอย่างไม่ว่าสัมมาหรือมิจฉาถูกสลัดพ้นออกไปเมื่อนั้นโพธิแท้ย่อมปรากฏสโลกนี้มีไว้สำหรับพวกนิกายฉับพลันและสโลกนี้ยังถูกขนานนามว่ามหาธรรมนาวา เพื่อแล่นข้ามฝั่งสังสารวัตรกันแล้วก็กันเล่าคงตกอยู่ภายใต้ความมืดบอดแต่ครั้นถึงคราวตัสรู้มันกินเวลาแวบเดียวเท่านั้นเขาก็เข้าถึงพุทธภูมิก่อนจบเทศนาพระสังฆปรินายกได้กล่าวเพิ่มเติมว่าบัดนี้ในวิหารแห่งไทยพันนี้ อาตมาได้แสดงคำให้ท่านฟังถึงคำสอนแห่งห้กายฉับพลันแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งล้วนแต่มีธรรมชาติอนันประจําอยู่ในตัวทุกคนแล้วจงเข้าใจธรรมะนี้และลุ้ถึงความเป็นพุท ธ, ธเถิดเมื่อได้ฟังธรรมกถาที่พระสังฆปรินายกกล่าวจบลงแล้ว ข้าหลวงว่ายแห่งชิวจอลพวกข้าราชการนักศึกษาฝ่ายเต๋าและชาวบ้านเหล่านั้นได้เข้าถึงความสว่างสวัยทั่วถึงกันเขาเหล่านั้นพร้อมกันทําความเคารพและออกอุทานเป็นเสียงเดียวกันว่าสาธุสาธุใครจะนึกไปถึงว่าพระพุทธเจ้าได้มาอุบัติขึ้นในนครกวางตุ้ง